ชนบดยากจนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายท่านได้เสียสละทุนทรัพย์ซื้อเครื่องมือแพทย์คือเครื่องเอ็กซเรย์ราคา3าล้านสองแสนบาทไม่ใช่น้อยนะขนา้าพระทัยญาติโยมพวกเราควรจะอหน้ามนธนาสาธุพรมกันเสียงดังๆเสียงสาธุนี่แหละถ้าว่าพวกเราเครื่องเอ็กซเรย์ตัวนี้จิว๋วแต่เจ๋อ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 แต่นอกพรรษาเราก็ไม่ว่ากันแล้วเพราะว่ามันยาวนานไม่รู้ว่าจะเอาอันไหนเป็นจุดแต่เราจุดพรรษาคือสามเดือนเนี่ยพวกเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรอย่างที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวว่าถ้าว่าใครสูบบุหรี่ในสามเดือนเนี่ยทางดได้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะอับุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเอาถ้ะข้าพเจ้า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 ข้าพรเจ้าจะไหวพระทุกวันไม่แหกขาดอลาหังสวากาโตสุปฏิปโ น, โนและกันนโมตัสสะได้เพียงแค่นี้ก็พอนะอลาหังสวากาโตสุปฏิปโ น, โนและกันนโมตัสสะจากนั้นก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาในใจข้าพรเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพรเจ้าต้องการความสุขอย่างไร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 เราก็นั่งอยู่ธรรมดาเราก็นึกพุโทโธพุธโทโธให้มีสติให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกอเราหลับตาซะถ้าเราไม่ได้พูดแต่คุยอะไรเราก็ลั่งหนับตาเนะเหมือนกันเราพักผอ่อนนอนหลับอย่างนั้นนะแต่ในใจของเราไม่นอนนะเราบริกรรมพุโทโธพุธโทโธให้มีสติสัมปชัญญะอันนะั้นวิธีการภาวนาง่ายได้เดียวเพียงแต่ให้ดูให้รู้ให้มีความรู้สึก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 พระจีชั่วมีพระพุทธเจ้าวบวชให้เทวทัตพระเทวทัตเป็นเชื้อพระวง์อีกต่างหากในเมื่อบวชัวชให้แล้วนะพระเทวทัตยัยงคิดฆ่าพระพุทธเจ้าอีกวางแผนฆ่าพระพุทธเจ้าอีกไม่รู้กี่รอบนะทำไมทำไมท่านจึงไม่ปฏิบัติธรรมทำไมเป็นอย่างนั้นพอมายุคหลังๆนี่อีกก็มีเยอะแยะอีกพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทเพราะนั้นเรา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 ถ้ามันให้ก่อให้มีดูใจของเตยียงอย่าให้มันออกนอกลูกนอกทางหลวงพ่อว่าที่คนทั้งหลายมองเห็นนยแสดงว่าถ้าเป็นน้ํานะอมันน้ําล้นกระป๋องแล้วน้ําล้นกลํามังแล้วเห็นความชั่วของเราเนี่ยล้นออกมาแล้วเขาจึงเห็นนะแต่ตามไม่จริงตัวเองเน่ยรู้แก่ใจว่าอะไรเป็นอะไรนะมันผิดหรือมันถูกนะเพราะฉนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะ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 ถ้าว่าคนไหนทำชั่วก็คนนั้นทำชั่วนแน้วจะไปนับถือทำไมเพราะมันชั่วเนี่ยเอออาเซวนาจะบาลานังบันดิตานั้นจะเซวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังอาเซวนาจะบาลานังอย่าไปคบคนผ่านบันดิตานั้นจะเซวนาให้คบบันดิตนักปราชญ์ปูชาจะปูชนียานัง ให้บูชาบุคคลที่ควรบูชา บ, บูชาที่คนเป็นคนดีให้บูชาเอตมังคลมุตตมังอันนี้เป็นมงคลอันสูงสุดในหลักของพุทธศาสนาเนะีเพราะพระเจ้าท่านไม่ได้ให้นับถือเกวเรกาวลาดไม่ใช่นะปูชาจะปูชนียานังอเซวนาจะบาลานังอย่าคบคนผ่านบัณฑิตานั้นจะเสวนาให้คบบัณฑิตนักปราชญ์แต่ทั้งนี้ทางนั้นพวกเราจะคิดโอ้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 ไปคบพาและชนะในเมื่อไปคบพาและชนนันะคบอบายยมุกวังเที่ยวเ ต, เตบวางเสียงไหนที่มันคดไปโกงเขาบังผิดศีลห้าบังนั่นแหละความเดือดร้อนฟุ่นวายจะเกิดขึ้นกับตัวของเรานะเป็นอันดับแรกพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกคนนะให้คบปัญดิต์ให้คบปัญ น, นักปราชญ์และก็ให้บูชาบุคคลที่ควรบูชากำสู้